จเจริญท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสารที่27เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาทาบุญให้ทางมารักษาสิง มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขและความเจริญที่ท่านทัาหลายปรารถนากันโดยที่ท่านไม่ต้องมาขอพอรจากพระเพราะการให้พรการรับพรของพระนี้ไม่มีอนิสงส์แต่อย่างใดไม่เกิดผลแต่อย่างใด ถ้าเกิดผลเราก็ไม่ต้องมาทำบุญให้ทามารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเรามานั่งรอเวลาที่พระสวนญาถาสัพพีให้พรเราก็จะได้ผลแล้วแต่ความจริงแล้วการให้พรนี้ไม่มีผลแต่อย่างไรเพราะผลนั้น เกิดจากเหตุคือการกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการอวยพรให้พรของขวัทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากการตาวขาพอพรจากศึกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นเวลาที่เรากราบพรและเราก็อธิษฐาน ขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้ถ้าเป็นผลปานนี้พวกเราก็เป็นมหาเศรษฐีกันไปทุกคนแล้วเป็นใหญ่เป็นโตกัน ไ, ไปทุกคนแล้วแต่มันไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เป็นนั่นเองเหตุที่จะทำให้เป็นนี้อยู่ที่การทำความดีอยู่ที่การคิดดีพูดดีทาดี อย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาคิดดีพูดดีทำดีกันตอนต้นก็คิดที่บ้านว่าวันนี้จะมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมพอคิดแล้วก็พูดชวนญาติสนิทมิตสหายให้มาร่วมกันทำบุญ พอเราพูดแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสิ่งตา่างๆที่เราต้องต้องทําพอเราเพรา้อมเราก็ออกเดินทาง ม, มาที่วัดมาถึงวัดเราก็เอาข้าวของต่ตางๆมาถวายพระอันนี้แหละเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขและความเจริญ โดยที่ไม่ต้องไปขอพรอจากใครพอขอก็ไม่ได้ถ้าขอแล้วได้ก็ถือว่าเป็นความบังเอิญเป็นเวลาของผลที่เราเคยทำมาจากเหตุในอดีตได้ส่งผลมาแล้วเช่นเราปลูกต้นไม้ทิ้งไว้หลายปีแล้วพอวันนี้ต้นไม้ต้นนั้นก็ออกดอกออกผลให้จังหวะ ทั้งๆที่เราอาจจะขอหรือไม่ขอก็ได้เมื่อถึงเวลามันจะออกดอกออกผลมันพร้อมที่จะออกดอกออกผลมันก็จะออกถ้ามันยังไม่พร้อมต่อให้นั่งขออย่างไรกราบอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะการกราบการขอนี่ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผล <c oughs> ที่เราต้องการ พระพุทธเจ้าของเราถ้าไม่ไม่สเสด็จออกจากวังไม่ออกบวชไม่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าอยู่ในวังแล้วก็จุดทูปจุดเทียนขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะ บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นขอให้เราอย่าไปยึดติดกับการขอพรกับการให้พรเพราะมันไม่ใช่เหตุที่จะทําให้เราสุขให้เราเจริญเหตุที่จะทําให้เราสุขให้เจริญอยู่ที่การคิดการพูดการกระทําของเราเช่นวันนี้เราคิดดีพูดดีทดําดีเรามาทําบุญมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอันนี้แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่ดีตามมาต่อไปผลที่ดีก็คือความสุขที่แท้จริงและความเจริญที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงความเจริญที่แท้จริงนี้อยู่ในใจเกิดที่ใจใจเป็นผู้เจริญ ใจเป็นผู้รับความสุดไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความจุความเจริญที่เราได้จากการหาทรัพย์มาได้ลาบยศได้ ส, สรรเะแสนได้เสกรูปเสียงกลรดต่างๆที่ถูกอกถูกใจเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความเจริญชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่ง เราก็ต้องสูญเสี ย, ายสลาภยศสารเสริญสูญเสียความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสไปหมดเพราะเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปร่างกายนี้ตายไปายลาภยศสารเสริญที่เราเคยมีอยู่นี้<ม>ก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไป<ม><ม>เราต้องจากร่างกายไปแล้วเราก็ต้องไป ตามสถานภาพของใจของเราถ้าเราไม่ได้มาทำบุญให้ทานรักษาศีลไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมใจของเราก็จะไปต่ำไปเอาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกเพราะเราไม่ได้สร้างความสุขความจเจริญให้กับใจ เรามมวแต่ข้าสร้างความสุขความเจริญให้แก่ร่างกายด้วยการไปหาลาบรดสารเสร่อหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกาย mm hmm. พอรพอร่างกายตายไปใจของเราก็ไม่มีอะไรไปนอกจากบาป ท, ที่เราทำไว้ในช่วงที่เราพยายามหาสิ่งต่างๆให้แก่ร่างกาย เวลาเราหาเงินหาทองเราก็จะรักทำบาปกันพูดปกบ้างช่อโกงบ้างเช่นเราทำงานแล้วแทนที่จะเอาเวลาที่เขาจ้างให้เรามาทำงานทำงานให้กับนายจา้างเราก็เอาเวลาไปนั่งคุยกันไปดื่มกาแฟไปอ่านหนังสือพิมพ์หรือไปทำธุรกิจส่วนตัว โทรศัพท์ติดต่อกับคนนั้นคนนี้ขายของต่างๆขายประกันหรือขายอะไรแต่เราไม่ได้เอาเวลาที่เขาจ้างให้เรามาทำงานให้กับบริษัทเราเอาเวลาไปทางานให้กับเราเองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบาปแล้วเป็นการชอบกลแด้เป็นการรักทรัพย์ ทั้งๆ ท, ที่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้นี่แหละคือการทำบาปของเราถ้าเรามัวแต่สแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเห็นคนไหนที่เรารักเราชอบเราก็อาจจะไป หาความสุขกับเขาไปร่วมหลับนอนกับเขาโดยที่เราอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วก็ได้ mm. เช่นมีภรรยามีสามีอยู่แล้วแต่ความอยากหาความสุขจากบุคคลอื่น mm. นอกจากคู่ครองของเรายังมีอยู่ mm. แล้วเราไม่รักษาศีลคือเราไม่รักษาศีลข้อที่สามกางเีสุมิชาจาราวีระมณี จะลัเล้นจากการประพฤติผิดประเวณีเช่นต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเท่านั้นสามีภรรยาของเราเราจะไม่ไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นที่เราเกิดความชอบเกิดความอยากได้ร่วมหลับนอนกับเขาแล้วเราไม่ได้รักษาศีลเราก็จะไปทำบาปทันที นี่แหละคือการทำบาปด้วยวิธีการต่างๆของเราข้าสัตว์บ้างลั ก, กรทตตรัพย์บ้างประพฤติผิดตระเวณีบ้างโกหกหลอกลวงบ้างเสพสุรายาเมาบ้างเพื่อความสุขทางร่างกายแต่ไม่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ทำนำมาซึ่งความเสื่อมนำความทุกข์มาให้แก่ใจขณะที่เราทำบา ละใจเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายเช่นเราแอบไปหลับนอนกับผู้อื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยาของเราเราก็จะมีความวิตกกังวลเวลากลับบ้านสามีภรรยาถามว่าไปไหนมาเราก็ไม่สามารถพูดความจริงได้เราก็ต้องพูดปกก็เลยเพิ่มบาปเพิ่มขึ้นไปทําทำให้เรายิ่งไม่สบายใจ กลัวว่าวันดีคืนดีเกิดใครมีไปเห็นเราอยู่กับคนอื่นแล้วเขามาบอกสามีมาบอกภรรยาเราเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเรานอกใจเขาก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาต่างๆ ต, ต, ต่อไปนี่ก็คือผลที่ไม่ยอมรักษาศีลกัน อยากจะทำอะไรตามอารมณ์ตามความอยากของตนแต่ไม่คิดถึงผลที่จะตามมาทั้งในปัจจุบั น, นาชาติและในอนาคตาชาติปัจจุบันก็จะมีปัญหาอาจจะต้องถึงกับยาล้าเลิกยากไปบ้านแตกเสาแหลกขาดแล้วก็ตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไปเกิดเป็นเปร ไปตกนารกนี่ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขและสร้างความเจริญให้แก่เราการสร้างความสุขการเจริญให้กับเรานี้ต้องสร้างตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างสอนให้ทะสอนให้ทาบุญให้ทานสอนให้รักษาศีลสอนให้ฟังเทศน์ฟังธรรมสอนให้ปฏิบัติธรรม เพราะถ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วใจของเราจะเจริญถ้าเราให้ทานรักษาสีลงไดใจของเราจะขยับขึ้นไปจากความเป็นมนุษย์ขึ้นไปสู่ความเป็นเทพถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วรู้ว่าถ้าอยากจะให้ใจของเราสูงขึ้นไปกว่าชั้นเทพเราก็ต้องนั่งสมาธิ พอเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจของเราก็จะขยับขึ้นไปเป็นพรหมแล้วถ้าเราอยากจะขยับขึ้นไปสูงกว่านั้นอีกอยากจะขยับขึ้นไปขั้นของพระอริยสงฆ์เราก็ต้องเจริญปัญญาเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจความควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถสั่งให้สิ่งนั้นสิน่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางเวลาเราก็สั่งได้บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้ เวลาใดที่เราสั่งไม่ได้เวลานั้นเราก็จะเศร้าสเสียใจเป็นทุกข์ขึ้นมานี่คือความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราไม่ใช่เป็นของเรานั่นเองเราต้องสอนใจถ้าเราสอนใจได้ใจเราก็จะปล่อยวางปล่อยวางราบยกสำรัเสิญ ลาบยศสารเสริญจะมาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ไปอาศัยลาบยศสารเสิญมาเป็นที่พึ่งของเราเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าพี่ทึ่งที่พึ่งที่ดีกว่านี้ก็คือการทําบุญการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้เองถ้าเราทำถึงขั้นปัญญาแล้วใจของเรา จะมีความสงบมีความสุขกับความสงบทําให้เราไม่หิวกับลาบยศสรรเสริลาบยศสารเสริจะมาจะไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้ว การนั่งสมสาธินี้เป็นการใช้ใจสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายทำอะไรไม่เหมือนกับการใช้ร่างกายหาความสุขเช่นเราไปชมภาพยนต์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆเราต้องใช้ร่างกายถึงจะสามารถทำได้แต่ถ้าร่างกายเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หรือพิกดพิการเป็นอมภพเป็นอมภาฏไปเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขทางร่างกายได้แต่ถ้าเราสามารถทำสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เราก็ยังสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการ ได้ความสุขจากทางร่างกายนี่แหละคือความสำคัญของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะทำให้เรานี้ไม่ต้องมาพึ่งสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เช่นตอนนี้เรามีความสุขกับคู่ครองของเราแต่เราบังคับให้คู่ครองเขาอยู่กับเราไปได้ตลอดหรือไม่ บางเวลาเขาก็อาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นไปทำหามาหากินที่อื่นไปทำทุนที่อื่นเขาก็ต้องอยู่ห่างไกลาจากเราเวลาเราอยู่ห่างไกลจากเขาแล้วเรารู้สึกอย่างไรมีความสุขหรือมีความทุกข์อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเวลาได้และ ว, วันหนึ่งเขาก็อาจจะจากเราไปก่อนก็ได้ ก็อาจจะตายไปก็ได้หรือก็อาจจะไปหาคนอื่นเป็นคู่ครองใหม่ก็ได้ไม่มีอะไรที่เราจะไปกําหนดให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสนอไปถ้าเรายังต้องอาศัยสิ่ ง, งต่างๆมาให้ความสุขกับเราพอสิ่ ง, งต่างๆเปลี่ยนไปหรือจากเราไปเวลานั้นความสุขที่เราได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป แต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการทาบุญจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเราไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถหาความสุข ด, ด้วยใจของเราเองที่จะอยู่กับเราไดตลอด ไม่ว่าร่างกายจะมีหรือไม่มีก็ตามใจนี้จะอยู่กับเราและจะอยู่ภายใต้คำสั่งของเราเราสั่งให้ใจสงบใจก็จะสงบเราสั่งให้ใจปรงให้ปล่อยใจก็จะปล่อยถ้าเราสอนใจเราฝึกใจได้ใจนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงดีๆนี่ที่เราต้องเอามาสั่งเอามาสอนเอามาฝึกก่อน เช่นม้าที่เขาไปจับมาและจับในป่าก่อนที่จะมาให้ม้าทำอะไรตามคำสั่งได้เขาก็ต้องมาฝึกทรมานม้าก่อนถ้าม้าดื้อก็ต้องมีการเคียนตีหรือมีการไม่ให้รับประทานไม่ให้กินอาหารอย่างนี้ต่อไปม้ามันก็จะเชื่อมันก็จะเชื่อคำสั่งของเราใจของเราก็เหมือนกัน ก่อนที่เราจะสั่งให้เขาสงบให้เขานิ่งได้สั่งให้เขาปล่อยวางได้เราต้องเอามาฝึกก่อนเอามาทารมานก่อน <c oughs> วิธีธทารมาลจิตก็คือเราต้องตัดไม่ให้จิตของเราไปหาความสุขจากราบชศ ส, สรเสื่ไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกาะคภาพ ไม่ให้หาความสุขจากการดื่มการรับประทานจากการหลับนอนกับคนอื่นกับการหลับนอนโดนฟูกหน า, หนาเตียงใหญ่ๆอันนี้เราจึงต้องมาถือศิ่งแปดกันการถือศิ่งแปดจึงเป็นสิ่งที่ทรมานใจคนจึงไม่ค่อยอยากจะถือสิ่งแปดกันถ้าเราไม่ทรมานใจใจมันก็จะดื้อ ม, มันจะไม่เชื่อฟังเรา มันก็จะคอยผลักเราให้ไปหาลาดยอดสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจหมุกลึ้นกายไปไเรื่อยๆแต่เราต้องมาทุกข์เพราะว่าสักวันหนึ่งเราจะหาไม่ได้หรือสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราในนี้จะไม่อยู่กับเราจะจากเราไปแล้วตอนนั้นเราจะต้องทุกใจงานถ้าเรามาสุกใจเสียัแต่ตอนนี้ สอนให้ใจนิ่งให้สงบให้ปล่อยวางไม่ให้ไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปสิ่งเกินลดโผกับาพอเราฝึกไปจนในที่สุดใจเชื่อใจออมทำตาม ท, ที่เราสอเราก็จะไม่มีปัญหากับการเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะเจริญเราก็ไม่ได้อาศัยมันเวลามันเสือ่อมเราก็ไม่เดือด้อ แต่ถ้าเรายังไปอาศัยสิ่งต่างๆอยู่เวลาเจอเริญเราก็จะดี อ, อกดีใจเช่นตอนนี้เรายังอาศัยทรัพย์ข้าวของเงินทองอยู่เวลาเราได้ทรัพย์มากๆได้ข้าวของมากๆเราก็ดี อ, อกดีใจกันแต่เวลาที่เราสูญเสียทรัพย์ไปสูญเสียข้าวของไปเวลานั้นเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเช่นมีขโมยขึ้นบ้านขโมย หรือไฟไหม้บ้าไม่สมบัติเข้าท้องต่างๆไปหมดเลยตอนนั้นเราจะมีความสุขเหมือนตอนที่เราได้สิ่งต่างๆมาหรือไม่แต่ถ้าเราไม่ไปยินดีกับการมีสิ่งต่างๆเราไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเวลาสิ่งต่างๆมันหมดไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกเพราะเรา สามารถหาความสุขภายในใจของเราได้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราส่งสอนวิธีที่จะทําให้เราได้เข้าถึงความสุขอันนี้ก็คือให้เราทําทานเพื่อเป็นการ ตัดการใช้เงินใช้ทองมีเงินทองเราอย่าให้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆให้เอาไปทําบุญให้ทานแล้วจะทํำให้เราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าเราจะใช้เงินทองก็ใช้แต่เฉพาะกับสิ่งที่จําเป็นเช่นดูแลรักษาร่างกายของเราด้วยปัจจัยสี่ คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยและยารักษาโรคถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเวลาเราอยากจะใช้เงินไปซื้อข้าวของที่ไม่จําเป็นเราก็เอาไปให้คนอื่นดีกว่าให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนให้ใครก็ได้ขอให้เราอย่าใช้เพื่อตัวเราเท่านั้นเพราะถ้าใช้แล้วมันจะติด นิสัยพอใช้หมดก็ต้องไปหาเงินใหม่ก็ต้องไปทำบาปแทนที่จะมาทำบุญกลับต้องมาทำบาปแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญก็จะทำให้ใจเรามีความเมตตามีความคิดที่ไม่อยากจะทำบาปผู้ที่มีเมตตานี้จะไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะผู้ที่มีเมตตานี้อยากจะให้ความสุขแก่ผู้อื่น ก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายพอรักษาศีลได้เราก็มาถือศีลแปดได้มาทรมานใจได้แล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าการทรมานใจการทําใจให้สงบนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆเราก็จะฝึกถือศีลแปดกันไปใหม่ๆก็จะรู้สึกยากแต่ถ้าเรา ได้ทำบุญมาเราจะรู้สึกไม่ยากมากถ้าเราไม่ทาบุญเรายังอยากไปเที่ยวอเราจะรู้สึกว่ายากแต่ทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราเอาเงินไปเที่ยวนี้มาทำบุญทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะอ่อนกำลังลงไปก็จะทำให้เรารักษาสิ้นแป่ได้พอรักษาสินแป่ได้ก็จะทำให้เรา สามารถทำใจให้สงบได้นั่งสมาธิได้พอใจสงบเราก็จะได้ความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องการอะไรต่อไปความสุขในใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าหลังจากพบความสุขนนี้ก็ทรงสเสด็จออกบวชได้เคย ทำใจให้สงบในสมัยที่ยังไม่ได้บวชพอรู้แล้วว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ความสงบนี้และจะเกิดได้ามากขึ้นไปตามลำดับก็ต้องออกไปบวชเพื่อจะได้ไม่มีภารกิจอย่างอื่นมามาขัดขวางการปฏิบัตินั่นเองนักบวชนี้ไม่มีหน้าที่อะไรมีแต่หน้าที่ฝึกฝนอบรมจิตใจ บังคับจิตใจวควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ปล่อยวางความสุขทั้งหลายในโลกนี้เท่านั้นเองพอทำได้แล้วก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ดีกับบุคคลที่เรารักก็ดีกับสิ่งต่ตางๆที่เราสัมผัสรับรู้ก็ดี จะไม่เป็นปัญหากับใจของผู้ที่มีความสงบของผู้ที่ปล่อยวางได้แล้วใจจะเหมือนอยู่เหนือสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะเกิดจะดับก็ไม่ได้ทําให้จิตใจเดือดร้อนแต่อย่างใดถ้าจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังวุ่นวายกับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆเราก็ควรที่จะรีบมาแก้ไขเสีย ก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้โดยเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็าะจะมีผู้ที่แก้ไขสำเร็จแล้วจะมาเป็นผู้ให้คาแนะนำเป็นผู้คอยชีย้แนะว่าควรจะทำอะไรถ้าเราไปอยู่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีคนคอยคอยชีย้นำคอยแก้ปัญหาให้กับเรา แล้วเราก็จะหลงอยู่กับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆไปดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ของเราที่เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงควรรีบตักตวง ประโยชน์ที่เราควรจะได้รับด้วยการหมั่นมาวัดอยู่เรื่อยๆมันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศ์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะฟังเสียงธรรมฟังแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำในสิ่งที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของเรา เชนวันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเราต้องทำให้มากขึ้นไปตามัำดับตอนนี้เรายังทำน้อยอยู่ผลจึงไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลจะเกิดขึ้นม า, มากขึ้นไปตาม จนในที่สุดเราจะได้ผลเท่ากับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือเองที่จะทำให้ผลต่างๆเกิดขึ้นมาไม่ใช่การอธิษฐานการขอพอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้มีแต่ความสุขและความเจริญขอไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับขอทานข้างถนนนั่นแหละจะได้หรือไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อยู่ที่การขอของขอทาน แต่อยู่ที่จิตใจของผู้ที่เขาจะมีความเมตตาหรือไม่เมตตาเช่นเดียวกับการขอสุงต่างๆของเราก็ไม่มีวันที่จะได้ น, ะนอกจากการกระทาของเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้พรแก่เราผู้ที่จะให้เราได้รับความสุขและความเจริญดังนั้นจึงขอให้พวกเราจงอย่าไปเสียเวลากับการขอพอร แต่ถ้าจะมีการให้พรก็รับกันไปเป็นธรรมเนียมเป็นพิธีกรรมเท่านันน้นเองความจริงการให้พรของพระนี้เป็นการสอนหรือเป็นการแสดงความยินดีต่อาการกระทําความดีของเราเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมพระก็สวดอนุโมทนาขอแสดงความยินดีกับการกระทําที่ดีอย่างนี้ เพราะการกระทำที่ดีอย่างนี้นี่แลที่จะนามาซึ่งความสุขความเจริญด้วยอายุมณสุขขปละอันนี้เป็นการกล่าวแสดงความยินดีเป็นการแสดงเห็นและผลของการทำความดีเท่านั้นจะกล่าวหรือไม่กล่าวผู้ที่ทำความดีแล้วย่อมได้รับผลของการทำความดีอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเวลาเราทำความดีแล้วไม่มีใครมาชื่นชมยินดีกับการกระทาความดีของเราเพราะใจของเราดีแล้วใจของเรามีความสุขแล้วนั่นเองอันนี้แหละคือผลที่เราต้องการจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างครให้กับตัวของเราเองด้วยการกระทำความดีคิดดีพูดดีทาดี